หลวงพ่อก็แก่ลงทุกทีแล้วนะจะเจ็ดสิบแล้วพวกเราก็อย่าเรียนให้มันช้าเกินไปนะรีบรีบอย่างน้อยเอา อ, อนาคานะอย่าหลวงพ่อไม่อยู่แล้วทำขั้นสุดท้ายยากนะรีบรีบบรรลุรั บ, บ, รบอย่ามวัวแต่ ทะเลถลหยเล่นโน้นเล่น น, од, น, นี้ธรรมชาติเขาส่งสัญญาณเตือนเรื่องยมมาทูดเวลาคนตายยรงาายาบาลยะถามว่าเคยเจอยมมาทูดไหมส่งสารเตือนไปไม่เคยเจอ บอกเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นคนแก่เคยเห็นคนเจ็บไหมเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นสมณะไหมเห็นพระโยามาบาลจะถามก็เ ค, เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวเอง เ, เห็นคนแก่ก็ฉันไม่ได้แก่นะีคนอื่นแก่ เห็นคนเจ็บฉันไม่ได้เจ็บคนอื่นเจ็บเห็นคนตายฉันยังไม่ตายคนอื่นตายเห็นพระไม่ค่อยชอบหน้าในยุคนี้คนเกลียดพระเยอะรวมแล้วก็คือเห็นสัญญาณเตือนที่ย ม, มาบาลส่งไปให้แต่ว่าไม่ได้รับประโยชน์เลย พวกเราได้รับคำเตือนอยู่เป็นระยะระยะอย่างพวกเราบางคนร่องรอยของความแก่มันเกิดขึ้นแล้วอย่าผมงอกแล้วนี่ก็ความแก่ตีนกาขึ้นมีสั ญ, ญลักษณ์หรือทำอะไรหน่อยเดียวก็เหนือนะหน่อยแล้วเหนื่อยสัญญาณเตือน ว่าวันสุดท้ายของเราใกล้เข้ามาแล้วเงีนเดี๋ยวประมาทนะตั้งอกตั้งใจภาวนาในสังสารวัฏเนี่ยวันเวลาที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยสั้นนิดเดียววันเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยยาวมากเลย เมื่อเก้าบอกลับก่อนมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเว้นมาหกสิบกลับไม่มีพระพุทธเจ้าเนะมื่อสามสิบเอ็ดกลับก่อนมีพระพุทธเจ้าอยู่เพราววิปัสสีภาษิกีพระเวสสภูนะพวกนีนะ้มีอยู่สองสามองค์นะจำรายละเอียดไม่ได้นะเด่๋ยวไปอ้างอิง ดูแค่รู้ว่ามันยาวนานมากรู้สึกจะมีสองอ์เมื่อเก้าสิบเว็ดกัปก่อนนี่จะเป็นพระวิปัสสีแล้วเมื่อสามสิบเอ็กัปก่อนนี้มีพระสิกขีกับพระเบสภูแล้วก็เว้นช่วงมาส0มสิบกัมีพระพุทธเจ้าในกลับของเราเนี้ยพระพุทธเจ้าจำนวนมากที่ตรัสรู้มา พอดับขันปรินิพานแล้วนไม่นานพระศาสนาของท่านก็อันตรธานไปสูญไปอย่างสมัยพระวิปัสสีพระสิกีพระเวสสภูนสาวกรุ่นที่ท่านสอนไว้หมดไปศา ส, สนาหมดเลยไม่มีการสืบทอดสมัยพระโคดมโคตมะพุทธะของเราเนี้ ท่านในผ่านแล้วแต่สาวกยหงสืบทอดได้อยู่สืบทอดจะมาถึงวันเนี้รอแล้เต็มทีแล้วช่วงวันเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนานั้นนะยาวนานมากแต่ธรรมะนะมีตลอดไม่เคยหายไปไหนไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะก็มีอยู่แต่คนไม่สามารถเข้าถึงได้ วันเวลาที่จะเข้าถึงได้วันเวลาที่มีพระพุทธศาสนาดำรงอยู่อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้านะไปคนขวา้าธรรมะออกมาเผยแพร่มันพร้อมที่จะหายไปพร้อมจะหายไปเสมอหลังปรินิพานสองรกว่าปีเกือบหมดไปรอบหนึ่งแล้วอยู่ได้นิดเดียวเอง ดี่ได้พระเจ้าอสมุมาสังขยาขึ้นมานแล้วก็ท่านมองกันไกลท่านส่งพระออกมาเผยแพร่ธรรมะอย่างประเทศต่างๆที่ยุคนั้นรู้จักยังไม่ได้ไปอเมริกายุคนั้นยังไม่รู้จักมาที่สุวรรณภูมินะไม่ใช่สนามบินนะสุวนณภูมิน่าจะเมืองพมา่านะจาก อินเดียมาทางเซายิชเอเชียเนี่ยก็ต้องถึงพมากก่อนแล้วก็พยายามแจ้งกันเป็นส่วนภูมินะดูศาสนาพุทธในพมาน่าเนี่รุ่งเรืองกว่าของเราเยอะเลยไปดูผู้กรรมเนะเห็นของเราเทียบไม่ติดเลยเล็กกะิดเดียวของเรา ศา ส, สนาพุธพอมาเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่มีการปนเปื้อนผนเปื้อนกับกันนับถือลทัทธิเดิมๆที่มีอยู่ในพื้นที่นี้การนับถือผีการนับถือผีแล้วสิ่งปนเปื้อนก็มีเป็นระรอบระรอบอย่างฮินดูเข้ามานะเข้ามาปน นับถือเทวดานับถืออะไรปนนกันศา ส, สนาพุทธไปถึงเมืองจีนก็ปนเปื้อนะกับลัทธิในเมืองจีนไปญี่ปุ่นก็ไปปนกับลัทธิในญี่ปุ่นอีกศา ส, สนาแท้ๆเนะี่ยหายากหายากนะนี่พวกเราบางที สนใจศาสนาแล้วก็ไม่ค่อยได้รับประโยชน์ทั้งๆที่สนใจเพราะเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆธรรมะแท้ๆเข้าใจยากคือศาสนาแห่งการที่จะต้องช่วยตัวเองไม่ได้มีเทพเจ้าที่ไหนมาช่วยเราไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราเราลิขิตของเราเอง เราทำกรรมอันใดไว้เราก็ต้องรับผลของกรรมอย่างนั้นนะขันห้านะเป็นของที่เกิดแล้วดับตลอดเวลาพอมาผลเปื้อนกัลธิอาตมันนะก็คิดว่าจิตเที่ยงพวกเราอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะ เราคิดว่าพอเราตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่จิตดวงเดิมไปเกิดใหม่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเกิดดับรวดเร็วเงี้จิตของเราไม่ต้องข้ามพบข้ามชาติหรอกข้ามไปนาทีหน้านี้ยังไม่ได้เลยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ตลอดเวลา เนี่ยพอศาสนาพุทธถูกปนเปื้อนนะมันก็เพี้ยนออกไปกลายปว่าพอเราตายแล้วร่างกายนี้ถูกเผาไปจิตนี้ออกจากร่างไปเกิดใหม่นี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่พวกเราส่วนมากไม่รู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่พุทธหรือบางทีเราก็ปนเปื้อนพระเองสอนว่านิพานเป็นโลกโลกหนึ่ง นิพพานเป็นพบพบหนึ่งเป็นภูมิภูมิหนึ่งนนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐินิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีขันห้าเมื่อไม่มีขันห้าไม่มีอายตนะไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพ ไม่ต้องกลัวว่าศูนย์นะถ้าคิดว่านิพพานเราศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคิว่านิพพานเรามีอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมศา ส, สนาพุทธเข้าใจยากไม่ใช่ปรัชญาด้วยสัจจะคือความจริงไม่ใช่เรื่องที่คิดเอาเองไม่ใช่เรื่องการใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ตรักกาไม่ใช่ แต่ไม่คือสัจจะคือความจริงซึ่งเราจะต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นให้ได้ทุกพระพุทธเจ้าบอกทุกให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทําให้แจ้งทําให้แจ้งคือสัจจิกิริยางานของเราคือเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปเห็นพันิปัน น, น, นะจะทําได้เรามีเจริญมรรค รู้ทุกข์ลาสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคมีกิจสี่ข้อในอริยสัจ ส, สีแต่ที่จริงแล้วมันก็ข้อเดียวแหละถ้าเรารู้ความจริงของทุกข์นะก็ลาสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเองงนะั้นคอยรู้ทุกข์เอาไว้สิ่งที่ได้ว่าทุกข์คือกายกับใจเรียนรู้มันไป ไม่ใช่เพื่อบังคับกายเพื่อบังคับใจนะแต่เพื่อเรียนให้เห็นว่าจริงๆกายนี้เป็นยังไงใจนี้เป็นยังไงถ้าเข้าใจความเป็นจริงแล้วมันจะละตัณหานะลาสมุ ท, ทยัยอัตโนมัติแจงพระนิพพานอัตโนมัติเกิดอริยมรรคอัตโนมัตินะพยายามเข้านะ ความตายใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วชาติต่อไปศาสนาพุทธจะยังอยู่แต่ปนเปื้อนมากกว่านี้อีกทุกวันนี้ก็ปนเปื้อนจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวเราถีซ่อนอยู่ในศาสนาพุทธเต็มไปหมดเลยเงนั้นถ้าเราไม่ได้เจอธรรมะแท้ๆเนี่ยนะเราจะหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ เรีบเปลี่ยนซะตั้งแต่ตอนนี้นะอย่างถ้าได้โสดาเนี่ยต่อไปยังไงก็ต้องบราารลุพระอรหันต์ในวันหนึ่งข้างหน้าจะเปียนว่ายตายเกิดไปหนึ่งครั้งสามครั้งเจ็ดครั้งอะไรก็ตามะยังไงก็จะต้องไม่เกินเจ็ดครั้งเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งจะต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนพระโสดาบัตเป็นยังไงพระโสดาบัตเนี่ยท่านละความเห็นผิดนะ ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราของเราเพั้นเราอยากเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องล่าความเห็นผิดตัวนี้ให้ได้วิธีล่าความเห็นผิดก็คือต้องมีความเห็นถูกความเห็นถูกเกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นความจริงของกายของใจบ่อยๆแกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปเห็นอันนี้บ่อยๆ มันจะละความเห็นผิดได้เพราะเกิดความเห็นถูกยันดูบ่อยๆแล้วถึงจะมีโอกาสได้เป็นพระโสดาเพราะพระโสดาท่านเห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีพระโสดาบันมีศีลตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ทำคุณสมบัติของพระโสดาบันให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองบ่อยๆ ยามรักษาศีลห้าไว้พนะระโสดาบันไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวไม่เชื่อเรื่องดาวเลิกดาวเคล้อยเฮงซวยไม่มีพนะระโสดาบันไม่ถือเรื่องพวกนี้ท่านถือเรื่องกรรมและผลของกรรมเท่านั้นนะเยังจะไม่ถือเลิกถือยามถืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฉับพลพวกเราถือไหมถือเห็นไหมถือ จะขึ้นบ้านใหม่ต้องดูแมมวันไหนดีมันก็ขึ้นบ้านใหม่มันก็ดูเลือกดูยามกันแทบทุกคนนะแล้วนะลมันมีความสุขทุกคนไหมไม่มีหรือดูเลิกวันนี้เฮงดาวดวงนี้อยู่ในมุมนี้ดีมากไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นแล้วกำไรทุกคนไหม ไอ้ดาวมันก็อยู่มุมนี้แหละมันทาอะไรใขได้เนี่ยพระโสดาบันมีคุณสมบัติเหล่านี้นะไม่เชื่ออะไรที่งมงายเชื่อแต่เรื่องกรรมกับผลของกรรมแต่เรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรท่านรู้จักนะไม่ใช่ว่าไม่ยึดถืออะไรสักอย่างไอ้นั้นมิจฉาทิฏฐิอีไม่ยึดอะไรสักอย่างอนะ่ะมิจฉาทิฏฐิตีเละอะไรๆก็ไม่ยึดอะไรๆก็ไม่มี อะไรๆก็ไม่เป็นมัก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแบบเรื่งแพรโสดาบัตเนี่ยมีศีลต้องรักษาศีลห้าไว้ก่อนเนะอาคุณสมบัติของท่านให้ได้ไม่งมงายเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ได้เชื่อสิ่งเืนินไม่เชื่อพรมลิขิตไม่เชื่ออะไรทางเส้นลิขิตตัวเอง ก็สดบันละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะดูกายดูใจบ่อยๆให้เห็นความจริงของกายของใจเดี๋ยวเราละความเห็นผิดได้ศีลของเราก็จะดีขึ้นมะาค่อยๆฝึกไปอยากเป็นสดบบันแต่ไม่รักษาไม่สร้างไม่พัฒนาคุณสมบัติ ของพระโสดาบันมันก็เป็นไม่ได้เหมือนถ้าเราอยากเป็นเทวดาอยากเป็นเทวดาเราก็ต้องมีคุณสมบัติของเทวดาซะ ก, ก่อนเมอมีคุณสมบัตแิแล้วเราก็จะได้ไปเป็นเทวดาเทวดามีอิฟรีโอตปาอิรีคือความละอายใจที่จะทําชั่วโอตปะเกลีกลัวผลของความชั่วนะีอย่างพวกเราถ้าจะไปปล้นเขาแล้วไม่ปล้น กลัวตำรวจจับเยแต่ถ้าเผลอเมื่มอไหลปล้นเลยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีฮิริฮิริคือละอายใจไปทําอะไรผิดศีลเนี่ยละอายใจอย่างนี้เรียกว่าเรามีเทวธรรมธรรมะของเทวดาถ้าเราอยากเป็นพรหมเราก็ต้องมีธรรมะของพรหมพรหมวิหารสี่คอมีเมตตาปรนนนา ม, มุทิตาวิเบขาถ้าวันวันว น, ว น, นึงตีคนทุกวันยังไงก็ไม่เป็นพรหมอย่างนั้นพรหมเช็ดเท้านะ เช็ดเท้าใครวิตเีก็ใครก็ไปเช็ดเท้าของคนนั้นแหละดีไม่ดีเขาเอาเท้าเช็ดเรานะเพราะฉะนนทุกสิ่งที่เราเป็นเลยคือสิ่งที่เราทำนะคือสิ่งที่เราทำทำตัวเองไม่มีใครก็ททำหรอกเงิน้น อ, อดทนหน่อยนะต่อสู้บางคนมันก็อ่อนแอแล้วเกิน ชอบคล่ำครวญชอบเรียกร้องให้คนมาโออนะไรเงชาพุทธต้องสู้ที่ขาดตาขาวอ่อนแอข้า ม, มาตาไม่ได้ต้องเข้มแข็งอดทนนะมีปัญหาขึ้นมาไม่ต้องมาออดอ้อนให้ครูบาอาจารย์ช่วยหนูหมดกำลังใจไอ้โง่ทุกท่วมหัวยังจะหมดกำลังใจไม่โง่เหรอห็น โง่จริงๆเาะอย่ามาอ้อนหลวงพ่อนะจะเจอไอ้โง่กับอีโง่นะอย่ามาอ้อนไปภาวนาไม่ได้สอนให้อ่อนแอสอนให้สู้ไม่สู้เอาดีไม่ได้หรอกเอ้าต่อไปส่งกันบ้านมีนะบางคนก็บอกว่าเป็นโลก ใบผูร่าหรือเป็นโรคซุ่มเศร้าอะไรเงี้ยต้องการกำลังใจหกไปหาจิตแพทย์ไปนะทำอะไรให้มันเป็นวิทยาศาสตร์บ้างอย่างงมงายเกินไปไปปรึกษาจิตแพทย์วันนี้ใครรู้สึกเพียนมีจิตแพทย์มาที่วัดนะนะกลัวไหมเครียดไหมไปปรึกษาจิตแพทย์ <c oughs> อ้าวว่ามานวมศการหลวงพ่อค่ะคือรู้หรือเปล่าว่ า, <ม>วาที่ภาวนาเนี้ยจิตมันเปลี่ยนไปแล้วอ้าวค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจิตมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหรอ่อะไม่มีแรงก็ขยันสิ <c oughs> เอ็กซเซอร์ไซส์เรื่อยๆเอ็กเซอร์ไซส์จิตก็คือมีสติมีสมาธิค่อยดูมไปเรื่อยๆค่ะอจากขอกันบ้านเพิ่มด้วยค่ะแล้ว คือที่ทำอยู่ก็คือเดินสุมกลุ่มแต่ถ้าตอนนั่งสมาธิเหมือนไม่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เหมือนใจมันชอบชอบเหมือนวอกแวกไปข้างนอกไม่ได้เดินให้นิ่งไม่ได้นั่งให้นิ่งแต่นั่งเพื่อรู้ทันนั่งแล้วใจวอกแวกรู้ว่าใจวอกแวกใจเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นไม่ได้นั่งให้สงบแล้วบางครั้งก็จะชอบหลงไปคิดนะคะพก็ไปชอบมันเองอะ นนัพุตโทรไปหายใจไปตอนนี้ก็อยู่กับพุดโทรอยู่แล้วจิตนีไปคิดรู้ทันต่อไปมันจะรู้ได well, ้เร็วข pues uhm ึ้นเร็วขึ <h <h ้นก็คือก็ทำแบบเดิมใช่ไหมคะใช่ก็ทำถูกแล้วก็ทำไปอีกขอบพระคุณค่ะพรบธนศักดิ์ค่ะหลวงพ่อว่าไง อย่าทำจิตอย่างนี้นะรู้สึกไหมตอนนี้แก้งทำเออได้นำสิ่งที่หลวงพ่อสอนไปปฏิบัติกับชีวิตประจำวันนะคะก็รู้สึกว่าการ <He en S 1> ลง <G lee S 1> ชีวิตด <le id S 1> ีขึ้นเห็นกิเลสรู้ไหมว่า <okay? S 1> ตอนนี้จิตเป็นยังไงจิตผิดธรรมชาติรู้ไหมขณะนี้นน แต่เวลายังไม่หายนะอุตราทําให้ดูเออต้ออยู่ตรงนี้ตรงตะกี้ไม่เอานะตะกี้ใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้ดีก็ขอให้หลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะเนี่ยชี้อยู่เนี่ยรู้สึกตัวไปเป็นธรรมชาติอย่างนี้ดีรู้สึกไปอย่างนี้สบายยดูเขาทำงานไปส่วนปัญญามันเกิด เห็นแล้วมันทํางานตลอดเวลาไม่คงที่โตรงนั้นเห็นอนิจจังเห็นมันทํางานได้เองตรงนั้นเห็นอา น, านัตตาดูไปเรื่อยๆจ่าขอบพระคุณค่ะจ่าธนรมสการ์ค่ะหลวงพ่อคือหนูก็เพิ่งมาครั้งแรกใน้ลองปฏิบัติ ด, ดูก็รู้สึกว่าตามตามทันนะคะตามหมายถึงว่าเห็นเห็นว่ามีเกิดมีดับแต่ว่ายังแยก แยกขันไม่เป็นยังไม่รู้ว่ามันแยกยังไงมันเหมือนมันรวมกันอยู่อะค่ะอืมรวมรู้ว่ารวมรู้สึกไ้ยความรู้สึกทั้งหลายเนี้ยผ่านมาแล้วผ่านไปรู้สึกไหมใจเราเป็นคนรู้อยู่แต่ความรู้สึกมันมันถูกรู้มันมาแล้วมันไปมันไม่ใช่เราใช่ไหมมันไม่ใช่เราอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าแยกขันแล้วนะมันเห็นม รูปธรรมนามธรรมมันถูกรู้ไหมจิตมันเป็นคนรู้อย่าง น, นี้เรียกว่าแยกแนละ้วค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนำมำพสการหลวงพ่อค่ะจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนํำนะค่ะแน่มาตั้งแต่เช้าแล้วว่าที่ปฏิบัติถูกต้องอเปล่าค่ะรู้ด้วยตัวเองเครได้ยินไหมวินยูชนรู้ด้วยตนเองจะเป็นวินยูชนบปล่าหัดสังเกตนะ เห<ช>็นเ<ะ>าว่าอย่างแต่ก่อนเนี้ยไม่มีศีลเดี๋ยวนี้มีศีลอย่างเงี้ยพัฒนาเมื่อก่อนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเดี๋ยวนี้เริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเนี้ยพัฒนานะเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายกับใจมันโคนล้านกันเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นแล้วอย่างเนี้ยมีพัฒนาแล้วเราวัดตัวเองได้นะในการปฏิบัติค่อยๆดูไปทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเราหรอก ตามนามส ก, การหลวงพ่อค่ะทรงการทรงการบ้านค่ะจากการปฏิบัตินะคะก็เจริญสติมากขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวมากขึ้นค่ะโมหะน้อยลงค่ะข้อสงสัยก็ได้ฟังจากหลวงพ่อเมื่อเช้าแล้วกระจ่างแล้วค่ะถู ก, ก, กแล้วละ่ะอนุโมทนาที่ทำอยู่ถูกแล้วนะทำไปได้ได้จเจริญบ้างเสื่อมบ้างตามสภาพ หายใจไม่ทันพรุ่งนี้ไม่เอากันแล้วกั น, นตอนเทศนะ์น่หลบพ่ออย่างเทศสปีด ท, ที่ชา้ชาๆได้นะแต่ตอนตรวจกันบ้านนี่มันต้องเร็วมันคือจับลิงใส่กระดง้งไม่ใช่ปูนะพอเร็วมากๆนะสปีดในการพูดมันเร็วหายใจไม่ทัน หายใจไว้หายใจเป็นเพื่อนกันหน่อหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะใครอยากส่งกันบ้านเดี๋ยวไปส่งกับผู้ช่วยสอนนะมีให้เยอะๆเลยส่งเอาเองหลวงพ่อเทรนคนขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะมาช่วยหลวงพ่อทํางานพวกนี้ ถึงจุดที่ว่าไม่พาพวกเราหลงทางนะรู้ทางว่าทางไหนใช่ทางไหนไม่ใช่พวกนี้รู้รู้แจ่มแจ้งงั้นเราไปปรึกษาดูได้มีลิสต์อยู่นะไม่ใช่คนอยู่นอกลิสต์บางคนอยากให้คําปรึกษาแต่อย่าไปปรึกษาเลยเดี๋ยวพังอนะย่างบางคนนะอยากจะช่วยสอนมากเลยเราก็พูดไม่ออก อยากจะบอกตรงๆว่าไปสอนตัวเองเถอะก่อนจะสอนคนอื่นสอนตัวเองก่อนเวลาสอนธรรมะเนี่ยถ้าไปแนะนำเขาผิดเนี่ยบาปมากนะบาปมากหลวงพ่อรู้จักคนอยู่ครอบครัวหนึ่งเมื่อก่อนชอบไปเป็นวิทยากร สอนสิ่งที่ผิดให้คนอื่นก็สอนไปเพปราะคิว่าถูกนั่นแหละแต่ที่จริงมันผิดพอวันที่ตัวเองจะกลับมาเรียนสิ่งที่ถูกนี่ลมลุกคลุกคลานแบบน่าสลดสังเวชเลยจิตมันพอทำท่าจะถูกนะีมันก็พังพินาศลงมาหมดมันมีมิบาก เคยไปทำคนเขาหลงทางมาทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เจตนาให้เขาหลงนะแต่ตัวเองหลงเองตัวเองอยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปสอนวิบากตัวนี้ก็ส่งผลเวลาตัวเองภาวนาเนี่ยจะเปออกนอกทางตลอดเวลานี่อาจารย์นี่อึดมากอึดมากช่วยสอนให้เขาใช้เวลา หลายสิบปีในการแก้ตัวเองขึ้นมางั mm ้น hmm. ยังไม่เข้าใจธรรมะอย่ารีบสอนเลยไม่จะถ่วงตัวเองทีหลังเยอะไม่เข้าใจธรรมะแล้วไปสอนเนี่ยมือพาคนอื่นเขาหลงผิดคนอื่นเขาเสียโอกาสเป็นคนที่หนึ่งนะตัวเองเสียโอกาสเป็นคนที่สอง พอเวลาตัวเองจะทำให้ถูกขึ้นมามันจะมีอะไรที่เพี้ยนออกไปตลอดจะคลาดเคลื่อนตลอดเรื่องของกรรมมันทำงานอัศจรรย์นะกรรมอย่างเราเดินพุทธภูมิอยู่เราเคยหวังจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลาย ต่อมาเรารู้สึกเด่นเหนื่อยในการเดินทางในสังสารวัฏแล้วเราไปเจอธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเราก็เลิกการเป็นพระโพธิสัตว์เลิกเดินพุทธภูมิเคยตั้งใจจะเดินพุทธภูมินะก็สร้างบารมีแล้วต่อมาเลิกี่ต้องรับมีบามีบิบา ต้องใช้หนี่ต้องทำงานหนักเพื่อช่วยคนอื่นคนพวกนี้บางทีเคยหวังจะตามเราหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะตรัสรู้ได้เป็นสาวกที่เราจะไปตั้งศาสนาในคนเหล่านี้พอหัวขบวนทิ้งไปเราต้องใช้หนี่นะแม้จะต้องทำงานหนักกว่าสาวกทั่วๆไป ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าอย่างหลวงปู่ ม, มั่นเนี่ยเคยปรัชนาพุทธภูมิเพราอน้นท่านทำงานหนักมากในการสอนหลายองคนะ์นะนี่คิดให้ดีนะรู้สึกตัวอย่าหลงรู้สึกตัวไว หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกยังไงเห็นไหมตัวนี้มันนั่งอยู่เห็นไหมตัวนี้มันหายใจอยู่ยากไหมตัวนี้ใส่หน้ายากไหมที่จะรู้ไอ้ตัวนี้ใส่หน้าไม่เห็นมีอะไรยากเลยเนี่ยตัวนี้ขยับรู้สึกตัวไป อย่าลืมตัวเองลืมตัวเองบางทีนั่งอาบปากบ่อแม่งวันเข้าป่ายังไม่รู้เลยพ <c oughs> <c oughs> ยายามรู้สึกไว้ข็รู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติลงภาพฝึกเรารู้สึกตัวมาแต่เด็กๆนะตอนเด็กๆนะเจ็เดขวบมานั่งสมาธิจิตสว่างออกไปเที่ยวข้างนอกอยู่ช่วงหนึ่ง ไปดูเทวดาเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงได้รู้เลยที่มนุษย์ทําทุกวันนี้นะเรียนแบบเทวดามาหลายอย่างอย่างการปลูกต้นไม้โดยไม่มีดินเทวดาทำมาก่อนเราปลูกต้นไม้โดยไม่มีดินไม้ลอยลอยอยู่ยากรู้สึกตัวนะรู้สึกเข้านี่หลวงพ่อตอนนั้น เกิดปัญญาใหม้มาเราออกไปดูเทวดาไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยเขามีของกินเราก็กินของเขาไม่ได้เขามีบ้านสวยๆยอยู่เราก็อยู่กับเขาไม่ได้ไปดูสมบัติคนอื่นเหมือนเราเป็นคนยากคนจนนะไปดูสมบัติเศรษฐีดูแล้วเซ็งมากเลยฮะเราไม่มนะีแล้วก็กลัวผีด้วย กลัวว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วไปเจอผีเนี่ยจะทำยังไงหลูพ่อเป็นคนกลัวผีนะกลัวมากๆเลยแต่ก่อนลูกแมวที่บ้านตายเน่ยกลางคืนจะพยายามไม่หลับกลัวผีแมวมาเข้าฝันหนูกลัวละเอียดขนาด น, นี้งั้นเวลาหายใจไปแล้วจิตสว่างออกมานะ้มันเริ่มเคลื่อนตามแสงสว่างไปเนะเรารู้ทัน่เฮ้ยจะออกนอกลนะ หลวงพ่อก็เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่งเพิ่มสติให้แรงขึ้นนิดหนึ่งถ้าสมาธิล้าหน้านี่จิตจะวิ่งออกไปเราเพิ่มสติขึ้นนิดหน่อยถ้าเพิ่มสติแรงเกินไปจิตจะแน่นๆนเนี่ยมันมีเทคนิคนะต้องค่อยๆฝึกว่าแค่ไหนพอดีเนี่ยเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นหน่อยหนึ่งจิตก็ไม่ไหลออกไปแล้วเสร็จแล้วจิตค่อยสงบรวมลงไป ็นร่างกายนี้หายไปแลก็มามีร่างกายเนะี่ยกายกับจิตแยกกันตลอดชีวิตแล้วขันแยกกันอัตโนมัติเลยเพราะมันเคยภาวนาจนไม่มีร่างกายมปแล้วงเด่นถ้าพวกเราภาวนาจนมาหนึ่งร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะียเราไม่ต้องห่วงเรื่องแยกขันแล้วต่อไปนี้ขันแยกตลอดจิตจะเป็นผู้รู้ตลอดแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ไ้ตลอดนะบิงทีก็เป็นผู้คิดเหมือนกัน แต่เวลาลงเบอปฏิบัติเนี่ยจิตเป็นคนดูอยู่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมาเนี่ยท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตหลวงพ่อเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรงุงพูดแต่งจิตมันเป็นคนรู้รู้อะไรรู้กายรู้ความรู้สึกสุขทุกเรียกเบทนารู้จิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วจิตมันเป็นคนรู้ ตรงที่เราภานาแล้วมันมีจิตเป็นคนรู้เนี่ยเรียกว่าเราแยกขันได้เพราะจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยอยู่ในบินอย่าหนักขันนะถ้าอย่างเราแยกกายก็จะมีกายอยู่ขันหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่อีกขันหนึ่งมีกายกับจิตจนะไปแยกมากายกับเวทนานะถ้าแยกกายแยกเวทนาแต่ไม่มีจิตเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกถ้าจะแยกเวทนาก็เห็นว่า กายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งต้องมีจิตอยู่ต่างหากเป็นคนรู้คนดูถ้าจะแยกสังขารโลกโกรธหลงอะไรเงี้ยจะเห็นโลกโกรธหลงทุกรู้จิตเป็นคนรู้อยู่ต่างหากฝึกจนถ้ามันมีจิตเป็นคนรู้ในทุกๆสถานการณ์นะนั่นแหละค่อยสมเป็นนับปฏิบัติชั้นดีหน่อย่อเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลง ไม่ใช่ผู้เพ่งให่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพยายามฝึกให้ตัวเองเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเวลาเป็นผู้หลงเนี่ยไม่หลงธรรมดาหรอกส่วนใหญ่หลงไปคิดเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวันนี้ทดสอบแล้วอย่างตรวจกันบ้านไม่ไหว ตรวกันบ้านแล้วพูดไม่ทันหายใจไม่ทันพูดทันแต่หายใจไม่ทันมันพูดได้ไม่นานหมดแรงเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไหมอย่างบางคนพระหลวงพ่อพูดว่าหลวงพ่อไม่ค่อยสบายนะจิตเทียวเลยดูออกไหม เหี่ยวอาจารย์เขาไม่เหี่ยวเขามุ่งเอาตัวรอดหลวงพ่อเป็นไงเป็นวิบากของหลวงพ่ออย่างนี้ลูกสิทธิ์เก่งนะลูกสิทธิด์ดีเรียดี ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพ่อเราตายเราอยังเบิกบานเลยนั่งปฏิบัตินะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตจิตเนยังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อน่วันนี้ไม่มีญาติมาเราได้ <c oughs> ตอนเตี่ยหลวงพ่อตายนะจิตหลวงพ่อเบิกบานมากเลย <c oughs> เขาหายใจ <c oughs> นี่นะจิตเรานี้ยอ้โหสว่างว่าออกมาเลย ร่าเริงไม่ใช่ว่าร่าเริงได้มรดกนะไม่มีมรดกหรอกแต่ร่าเริงว่าพระพุทธเจ้าสอนความจริงนะเกิดปีติในธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดแล้วต้องตายแม้จิตม่เกิดธรรมะขึ้นมาเกิดธรรมปีติขึ้นมาเห็นคนตายนะจิตมีปีติขึ้นมา เป็นหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นโยมแล้วชอบไปงานศพไม่ชอบไปงานแต่งงานหรอกนงานแต่งงานนะั้นเราดูจัดงานหรูหราดูหน้าตาแล้วเดี๋ยวก็ตีกันแล้ว mm hmm. ไปงานศพ ม, มันไม่ค่อยโกหกเราแต่เวลาไปงานศพอยวาไปมัวแต่คุยกันนะยามรู้สึกตัวไปอีกหน่อยเราก็จะไปนอนในโลงเหมือนกัน เพียนาไปอย่างนี้ใจมันจะลดละกิเลสนะเนี่ยทํามะามัอยู่รอบๆตัวเรานะจะทําอะไรก็ค่อยมีสติไปจะกินข้าวก็มีสติกินข้าวก็เป็นภาระนะใครเคยรู้สึกว่ากินข้าวเป็นภาระบ้างยกมือให้ดูหน่อยซิเนยกไปอย่าเพิ่งเอาลงส่วนใหญ่จะคนแก่นะ่ะกินแล้วเหนื่อยนะ <laughs> <laughs> เด็กๆ ก, กินแล้วมัน นี่แค่กินข้าวก็เป็นภาระไปเอือไปฉี่เป็นภาระไหมัในร่างกายเราเต็มไปด้วยภาระนะต้องอาบน้ำถาผมใช่ไมต้องแปลงฟันมีแต่ภาระนั้นเลยไม่ใช่เห็นเป็นของดีของวิเศษนะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต th ่โทษถ้ามีสติมีปัญญามันหลงโลกไม่ได้หรอกตัวที่จะไปหลงโลกก็คือตัวเรานี้แหละ นี่ตัวเรามีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวอื่นเลยเลยไม่หลงแล้วดีผัดหายใจยน้แหละหายใจแล้วจิตจะเคลื่อนไปที่ลมเรารู้ทันใช้ได้เนี่ยมีเวนมีกรรมอะไรเรียนมาตั้งหลายสิบปีแล้วนะเรียนมาร่วมสามสิบปีแล้วไม่ได้เรื่องเลยไม่ค่อยกระตื้องขึ้นหน่อยช่วงนี้ รู้สึกตัวไว้แต่อย่ารู้สึกแบบเคร่งเครียดน ะ, อะพอสมควรแล้วเชิญกลับบ้านใครมีข้อสงสัยไปถามผู้ช่วยสอนเอานี่หมดเลยครับ